อาจารย์ค่ะ อ, อ, อยู่ไหนนะ <laughs> รู้ไม่ถึงฐาน ค, คืออะไรคะฐานในที่นี้คือใจหรือจิตรู้ไม่ถึงฐานคือไปรู้ข้างนอก <laughs> รู้ข้างนอกตอนรู้ถึงฐานคือรู้ที่ใจแต่นี้ตั้งใจให้มันอยู่กับฐานก็ไม่ได้เพราะเราเนี่ยเราไม่ได้ฝึก ทรงฌานมาถ้าคนที่เขาทรงฌานฌานขั้นที่สองคือเป็นต้นไปเนี่ยก็จะมีตัวรู้ที่ว่าถึงฐานเนี่ยเด่นขึ้นมาและอยู่ได้นานเราไม่มีฌานเรารู้ว่าเมื่อกี้จิตมันไม่อยู่กับฐานคือมันจิตมันเคลื่อนจิตเคลื่อนคือจิตไม่อยู่กับฐานมันเป็นการพูดอีกสำนวนหนึ่งจิตมันเคลื่อนออกไปคือไม่อยู่กับฐานพอ ต, ตอนรู้มันเคลื่อนรู้จิตพอดีตอนนั้นถึงฐานพอดี คือรู้จิตพอดีมันไม่ได้ไปรู้ดอกบัวไม่ได้รู้หน้าอกไม่ได้รู้จมูกมันรู้ความเคลื่อนของจิตตอนรู้ความเคลื่อนของจิตรู้จิตพอดีแต่อย่าไปแสวงหาอย่าไปบังคับอย่าไปรักษาประคองความรู้ว่าเฮ้ยฉันรู้จิตแล้วฉันพยายามรู้จิตต่อตอนนั้นบังคับผิดปกติไม่ใช่มีสติจริงให้เพลอไปให้มันเคลื่อนไปให้มีกิเลสไปแล้วรู้ทันบ่อยๆได้แต้มบ่อยๆอย่างนี้ดีกว่า ถ้าไปประคองเอาไว้นะตอนนั้นก็ผิดไม่มีไม่มีสตินะและเสียเวลานานและชีวิตของเราไม่ได้มีเวลามากพอที่จะไปเรียนรู้อย่างนั้นเวลาเหลืออีกเท่าไหร่ก็ไม่รู้นนะผ่านมาก็ถึงครึ่งแล้วยังก็ไม่รู้อาจจะเกินแล้วก็ได้ใช่ไหมมันเหลือเวลาอีกไม่มากนะมันไม่มีเวลาพอที่จะไปนั่งแช่นานๆแล้วเราต้องเก็บคะแนนแบบทีๆ ท, ท, ท, ทีก็คือไม่บังคับมันไว้ให้มันไหลไปรู้ทัน ไหลไปแล้วไม่รู้ไปเกิดกิเลสรู้ทันกิเลสก็เอา